และรู้จักตัวประโยชน์ที่แท้จริงเหตุผลขั้นสุดท้ายที่ทำให้ผู้ถึงนิพพานแล้วไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือห่วงใยเรื่องของตนเองสามารถทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นหรือบาเพ็ญกิจแห่งกรุณาได้เต็มที่ก็เพราะเป็นผู้ทาประโยชน์ตนเสร็จสิ้นแล้วพระอระหันต์มีคุณบดคือคาแสดงคุณลักษณะว่า อนุปัตตะสัทถาแปลว่าเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้วและกะตะกรณียะแปลว่าผู้มีกิจที่ต้องทําอันได้กระทําแล้วคือทำเรื่องของตัวเองเสร็จแล้วเมื่อทำอัตตะประโยชน์ของตนเรื่องของตนเสร็จแล้วเป็นผู้มีอัตติตสมบัติพรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยประโยชน์ของตน มีตนคือคุณสมบัติข้างในตัวที่พร้อมดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงใยญเรื่องของตัวสามารถทำประรถะประโยชน์ของผู้อื่นเรื่องของคนอื่นได้เต็มที่จึงดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยปรหิตะปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นสืบไปเมื่อมีความพร้อมเป็นฐานอยู่อย่างนี้แล้วพระอรหรันจึงสามารถมีคุณลักษณะเป็นสัพพมิตรคือเป็นมิตรกับทุกคน เป็นสัพพสะขะคือเป็นเพื่อนกับทุกคนและเป็นสัพพภูตานุกรรมประกบคือเป็นผู้หวังดีต่อสรรพสัตว์ได้อย่างแท้จริง